ใช้นิมิตผิดทางระหว่างจะกลายเป็นการทรงวิญญาณถ้าหากว่าในช่วงนั้นกระแสจิตส่งออกนอกจะเกิดมโนภาพได้แก่ภาพนิมิตในเมื่อภาพนิมิตปรากฏอย่าไปเอะใจอย่าตกใจกําหนดสติรู้เฉยอยู่เท่านั้นเพราะนิมิตอันนั้นเป็นจิตของเราสร้างมโนภาพขึ้นมาเท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่า มีสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้เรารู้เราเห็นจิตของเราเองแท้ๆเป็นผู้แสดงขึ้นมาแต่ในช่วงที่เราภาวนาแล้วเกิดนิมิตเกิดมโนภาพขึ้นมาถ้าหากมีใครมาชักจูงว่าเมื่อเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในจิตในใจของเราให้ผู้วิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมาช่วยพลังสมาธิสติปัญญาให้แก่กล้าถ้านน้อมมโนภาพนั้นเข้ามาถึงตัวได้เมื่อไหร่ เมื่อ น, นั้นจะกลายเป็นการทรงวิญญาณเพราะเมื่อนิมิตเข้ามาถึงตัวแล้วสมาธิที่ปลอดโปรง่งสบายเบาจะรู้สึกว่าอึดอัดหนักหน่วงไปทั้งตัวหัวใจเหมือนถูกบีบจิตซึ่งเคยเป็นอิสระจะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงในที่สุดกลายเป็นการทรงวิญญาณนี่ในจุดนี้นักปฏิบัติต้องระมัดระวังให้ดี